พอเสร็จเรื่องรักษาศีล น, นะมันเหลืองานสองงานหนึ่งนิดเดียวเรื่องการฝึกจิตให้มีคุณภาพที่จะเจริญปัญญาแล้วเรื่องเจริญปัญญาตรงจิตมีคุณภาพเน่องจิตต้องตื่นขึ้นมาเรื่องจิตตื่นคนเล่นคนที่เรียนกับหลวงพอ่อเรื่องเล็กมากเลยตื่นนับจํานวนไม่ท้วนนี่พอจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็ถึงขั้นเจริญปัญญา การเจริญปัญญาจะลงมือตั้งแต่การแยกรูปนามยานคือปัญญาตัวที่หนึ่งแยกนามรูปปริเชทยานแยกรูปนามเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือแยกนามมาทำละเอียดออกไปอีกจะเห็นความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตความจําได้หมายรู้อยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิต ความปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตจิตจะอยู่อีกส่วนหนึ่งียกแยกขันยังแต่เดิมเราปฏิบัตินะเราคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งสมาธิอ่ะเราก็นั่งสมาธิเพื่อคิดเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกจากวังมานะงานแรกที่ทำก็คือไปนั่งสมาธิหาดเกลือศีนั่งสมาธิไปแล้วื่นจุหนึ่ง จบวิชาของฤาษีแล้จิตเข้าฌานได้ชำนาญถึงฌานที่แปท่านก็สรุปว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข mm ์เพราะฉนั้นเราไม่หยุดตัวเองอยู่แค่การ น, นั่งสมาธิทําจิตให้สงบนั่งสมาธิทําจิตให้สงบเลิ่อนๆไปไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ได้สบายชั่วครั้งชั่วคราวพอจิตออกสมาธิก็ฟุง้งซ่านเหมือนเดิมอารมณ์ร้ายกว่าเก่าอีกเนมะื่อตอนอยู่ในสมาธิไม่มีอะไรมากระทบกระทั่ง ออกจากสมาธิมามีคนมากระทบกระทั่งนะโทสะมันขึ้นนะกิเลสจะยิ่งแรงกว่าเก่าอีกพระพุทธเจ้าท่านเลยเจ้าชายสิท ธ, ธาาัตถะรู้ไม่ใช่ทางท่านมาหาทางอันใหม่ทางที่สองที่ท่านเลือกก็คือทรมานตัวเองนะเพื่อจะสู้อะไรสู้กับตัณหานะไม่ใช่โง่โงไม่ใช่อยู่ๆก็นึกอยากทรมานก็ทรมานเล่นก็ทรมานร่างกายเพื่อจะสู้กับความอยากนั่นแหละ อยากกินไม่กินอยากสุขอยากสบายนะั้นทําให้มันลําบากซะหวังว่าจะชนะตัณหาชนะความอยากได้นักปราชาก่อนพรพุทธเจ้าเขาก็ฉลาดนะเขาก็รู้ว่าตัณหาเนี่ยนะทาให้เกิดทุกข์เขารู้จักตรงนี้แต่เขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นมรรคไม่รู้วิธีที่จะพ้นทุกข์เขาใช้วิธีทรมานตัณหาหรือใช้วิธีหนีทุกข์ วิธีหนีทุกข์ก็คือไปเข้าฌานหนีทุกข์ไปวิธีจะละสมุทยัยก็มาทรมานตัวเองไม่ยอมตามใจมันหวังยาวาชนะตัณหานี่เป็นวิธีของพวกนักปราชทั้งหลายเขาคิดกันเขารู้นะว่าตัณหาทำให้เกิดทุกข์ก็ลเลยมีสองพวกพวกหนึ่งหวังทำลายตัณหาตัณหามันอยากนี่ อยากกินฉันไม่กินนแกล้งมันอยากนอนก็ไม่นอนแกล้งมันอยากสบายก็นอนมันบนน้ําเลยอยากจะสบายแล้วทรมานมันอดข้าวมันอะไรเงี้ยทรมานหวังว่าจะเอาชนะตันหาอีกพวกหนึ่งรู้ว่าตันหาทําให้เกิดทุกข์เวระตันหาเล่นยากเหนื่อยหนีทุกข์ดีกว่าวิธีหนีทุกข์ก็คือน้อมจิตเข้าอารูปฌานไปไม่มีร่างกาย เหลือความรู้สึกอยู่ริบหรี่ริบหรี่แทบจะไม่รู้สึกตัวเรียกว่าอาเนนชาที่สังขารความปรุงความว่างว่างหนีไปอยู่ในโลกของความว่างไม่มีร่างกายหนีทุกข์พวกหนึ่งหนีทุกข์นะพวกหนึ่งพยายามข่มตัณหาเพื่อทําลายสมุทัยพระเจ้าได้ทดลองสองอันนี้แล้วเพราะว่าไม่ใช่ทาง ทางที่ท่านค้นพบน่้เป็นของอัศจรรย์มากเลยแทนที่จะหนีทุกข์ก็ให้รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วมันละสมุไทยละอาตโนมัติรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุไทยเมื่อนั้นเงื่อนหลักของการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนเราก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองถ้ารู้ความจริงของทุกข์คือรู้ความจริงของขันห้ารูปนามกายใจแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้น เนี่ยพระปัญญาตรัสรู้นะไม่เหมือนฤาษีชีไพรมีทุกข์ก็หนีทุกข์เข้าฌานพวกนี้โกรนพวกอะไรอยนั้นมีความอยากขึ้นมาก็ทรมานมันทรมานกายทรมานไปเรื่อยเอาชนะความอยากพระเจ้าไม่ได้ให้หนีทุกข์ไม่ได้เอาชนะความอยากด้วยการหักหกัน่ับมันท่านสอนวิธีรู้ทุกข์ให้เรา เรารู้ทุ ก, ก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เป็นเป็นเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจิตหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วตัณหาคือสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยการรู้ทุกก็จะละสมุทัยนีน่ยทํางานทีเดียวนะเสร็จเลยรวบเลยการรู้ทุกละสมุทัยนั่นแหละเรียกว่าการเจริญมรรคการู้ทุกละสมุทัยยันจิตปล่อยไม่ยึดถือแล้วะแจ้งนิโรธ นิโรธคือพนนันิพานนิพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอยากจิตจะมีสันติสุขมีสันติสุขนะมหัดรู้ทุกจนะรู้ทุกได้ก็ต้องมีสติมีปัญญานะทุกอยู่ที่ไหนทุกปรากฏอยู่ในกายทุกปรากฏอยู่ในใจนี่เรามารู้ทุกก็คือคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจ รู้ไปเรื่อยกายเนี่ยเป็นตัวบีบคันมีความทุกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนีย้หายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกคน ท, ทั่วไปไม่สามารถเห็นทุกในกายได้เพราะว่าแอบเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็วเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยรวดเร็วยางนั่งเมื่อยก็ขยับหายเมื่อยแล้ว ไม่ทันรู้เลยว่าร่างกายมันทุกข์เดินเมื่อยก็ไปนั่งหายเมื่อยไปแล้วไม่ทันรู้ว่าร่างกายมันทุกข์ <vidéo> มองทุกข์ไม่ออกอิธิยาบทมาปิดบังตัวทุกข์ไว้หายใจออกเมันก็ทุกข์นะต้องมาหายใจเข้าเปลี่ยนอิธิยาบทคือเปลี่ยนจากหายใจออกมาเป็นหายใจเข้าก็แก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจเข้าแล้ว <eden> <Ask. S 1> มันก็ทุกข์อีกะก็ต้องมาหายใจออกแก้ทุกข์ของการหายใจเข้า <eden> พวกเราลองดูทุกนะลองหายใจเข้าที่หายใจเข้าเรื่อยๆหายใจเข้ายาวที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยยาวเท่านี้เลยหายใจสิทุกไหมหายใจออกได้เดี๋ยวขาดใจตายนะหายใจออกก็ทุกนะหายใจออกเรื่อยๆก็ทุกย้ามารู้ทุกนะมารู้ลงไปในร่างกายมันของง่ายๆมันรู้สึกอยู่แล้วนะรู้สึกอยู่ในร่างกาย เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนดูไปเรื่อยจะเห็นมีทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆุกขณะไปเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์กินอาหารทุกข์หมกินอาหารทุกข์ไหมเป็นภาระใช่ไหมขับถ่ายทุกข์ไหมทุกข์ก็เลยเรื่องห้องสุขขาความจริงห้องทุกข์ขา ห้องทุกขานี่ถ้าส่วมนั่งยองๆในห้องทุกขามากหน่อยมีแต่ทุกนะในร่างกายใครรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ในกายเห็นแต่ทุกมาดูจิตใจใหเห็นจิตใจมีแต่ภาระนะภาระนั่นเป็นตัวทุกในใจของเรามีความสุขเกิดขึ้นก็มีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจมีความทุกข์ก็มีน้ำหนักเกิดในใจ มีกุศลก็มีน้ำหนักเกิดขึ้นนะมีอกุศลก็มีน้ำหนักเกิดขึ้นเป็นของหนักเป็นของถ่วงเป็นภาระของใจนี่คอยรู้คอยดูเรื่อยๆมันไม่ยากหรอกนะนี่คอยรู้ความรู้สึกรู้จักความรู้สึกไหมโกรธเป็นไหมโลภเป็นไหมหลงเป็นไหมฟุ้งซ่านหดหู่เป็นไหมอิจฉาเป็นไหมแค่รู้สึก สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ความรู้สึกทั้งหลายคอยรู้ไปมีความสุขขึ้นมานะก็มีภาระของใจมีความทุกข์ก็มีภาระนะอะไรๆก็เป็นภาระทางใจไปหมดเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดูเข้าไปซ้ําแล้วซ้ําอีกยากไหยลองดูแล้วไม่ยากหลวงปู่ดูลบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะพูกไม่ปฏิบัติ งันตอนงานแรกที่เราต้องทําให้ได้รู้สึกตัวให้เป็นนะรู้สึกตัวแล้วเราก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานมีเท่านี้แหละหลักของมันมีเท่านี้เองนอกนั้นเป็นเรื่องอุบายวิธีแทคติกแต่ละสำนักแต่ละสำนักไม่เหมือนกันนะเราก็ดูว่าเราเหมาะกับการปฏิบัติแบบไหนนะเราปฏิบัติแบบไหนแล้วรู้สึกตัวเราก็ปฏิบัติแบบนั้นนะรู้สึกตัวแล้วเราดูกายหรือดูใจได้ชัดนะ ชัดหมายถึงว่าเห็นกาย <c oughs> เห็นใจแสดงใจรักได้อันไหนแสดงใจรักได้ชัดดัวนั้น่ะทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกไม่ต้องเรียนแบบกันเงินถ้าใครมาถามว่ารูกศิษย์หลวงพรมมพอประโมทพาวนาแบบไหนอุย้ยเราภาวนาไร้รูปรักเลยนะมันเข้าขั้นสูงสุดกับสู่สามัญเลยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว หายใจออกเห็นไอตัวที่หายใจออกก็คือรูปมันหายใจออกร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าก็เห็นร่างกายมันหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้ายืนอยู่ร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนเดินร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานั่งเรานอนร่างกายมันทำเนี่ยเห็นอย่างนี้นะง่ายๆไม่มีอะไรสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นก็เห็นหน่งสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของแปลกปลอม ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับจิตใจเลยจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ค่อยฝึกไปก็จะเห็นไม่เห็นมีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ทุกมีแต่ของบังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็ เ, เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยซ้าแล้วซ้าอีกถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งนะทุกอย่างนี้ไม่ใช่เราเลย พามันดูไปเรื่อยเห็นมันไม่ใช่เราร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใครหายใจเข้าร่างกายหายใจเพราะนเวลาดูการหายใจนะบางคนชอบรู้ลมหายใจเนี่ยไปเพ่งใส่ลมหายใจไปเพ่งใส่ลมหายใจก็ดีเหมือนกันได้สงบเฉยๆแต่จะดีกว่านั้นแทนที่จะดูลมหายใจนะมาดูร่างกายหายใจ พวกเราลองทดสอบดูต่อไปนี้ทุกคนดูลมหายใจลมหายใจเข้าไปรู้สึกนะเข้าไปถึงไหนก็รู้ลมหายใจไหลออกมาก็รู้ดูที่ลมหายใจลองดูเอาหยุดก่อนนะต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่ดูร่างกายที่กําลังหายใจไม่ใช่ดูที่ลมนะดูร่างกายที่กําลังหายใจลองดูซิเนี่ยร่างกายก่อนจะหายใจยิ้มก่อน ตองยิ้มมีการยิ้มเบรกตัวเองก่อนไม่งั้มันติดอารมณ์ภายในยิ้มหวานๆสิยิ้มหวานๆเหมือนแฟนเพิ่งบอกรักเอาสิเอาละต่อไปนี้เห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายยิ้มไหมเอ่ยลองพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยรู้สึกกว้างๆรู้สึกสบายรู้สึกโล่งๆนะเห็นร่างกายหายใจไหยเห็นร่างกายหายใจเนี่ยไม่ใช่เราหายใจละ งยเวลาดูกายนะอยู่เพ่งจ้องอยู่ที่เดียวรู้สึกสบายๆรู้สึกกว้างๆรู้สึกโล่งๆรู้สึกเป็นธรรมชาติไม่บีบไม่อัดจิตเข้าไปให้อยู่ที่เดียวเอายกมือขอมือหน่อยฮะยกมือเห็นร่างกายเป็นยกมือไหมเอามือลง <class ic> อ้าเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวนะ เคลื่อนไหวรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทำงานรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเรานะมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราหรอกนะยันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจนะแทนที่จะไปเพ่งลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจคนไหนถนัดนั่งสมาธิก็ดูร่างกายมันนั่งนั่งแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าไปหรือนั่งขยับไม้ขยับมือไป คนไหนถนัดเดินจงกรมก็เดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินอย่าไปเพ่งร่างกายนะแค่รู้สึกถึงร่างกายที่กําลังเดินเนี่ยฝึกไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นเลยกายไม่ใช่เราภายในวันนี้ถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกก็จะเห็นแล้ร่างกายไม่ใช่เราหมูมากเลยนะเรื่องกายไม่ใช่เราเนี่ยคนนอกาศาสนาพุทธก็เห็ น, นเรื่องง่ายๆต่อไปก็ามาดูจิตใจนะแต่ตอนนี้ซ้อมเรื่องกายไปก่อน ถ้าจะดูจิตดูใจก็เห็นจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขมาแล้วก็ไปทุกข์มาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปโรคปวดหลงมาแล้วก็ไปดูเองมาทีไรก็เป็นภาระนะเป็นทุกข์บีบคั้นจิตใจของเรามีของแปลกปลอมเวลามีแขกมาบ้านเป็นภาระไหมมีคนมาเยี่ยมที่บ้านเป็นภาระไหมคนที่เราชอบมาที่บ้านก็เป็นภาระไหมต้องต้อนรับใช่ไหม อารมณ์ทุกชนิดนําผ่านเข้ามาสู่จิตเป็นภาระทั้งหมดเลยมีแขกมาเยี่ยมบ้านแนละ้วยิ่งถ้าเป็นแขกที่เราเกลียดนะยิ่งภาระหนักเลยนีถ้าแขกที่เราชอบบางทีเผลอไม่ทันรู้ว่าภาระเพราะฉนั้นอย่างเวลาความสุขมานะเราเผลอเราไม่รู้ว่าเป็นภาระความทุกขมาเนี่ยเราดูง่ายว่าเป็นภาระนี่ถ้าแขกร้ายๆมานะเข้ามาที่บ้านเราเห็นวนะ่าโอ้ภูมิใจไม่สบายใจ แขกที่เราชอบมานะเราดูเป็นนะหเห็นก็เป็นภาระนะดีใจก็เป็นภาระแนเะนี่ยดูไปในใจมีแต่ภาระของง่ายๆเลยดูเหมือนเห็นเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วผ่านเข้ามาในใจเรานะเหมือนเห็นแขกมาเยี่ยมบ้านนะบ้านเรานะเยี่ยมบ้านคนอื่นไม่เกี่ยวเนี่ยดูมีแต่ภาระมีแต่ทุกข์แขกไปได้ดีใจหลวงพ่อเนี่ยสารภาพตรงๆเลย ตั้งแต่เป็นโยมนะแขกกลับได้นะี่ดีใจมากเลยแค่นั้นก็มีความสุขแล้วความสุขของเราหาง่ายง่ายนะอย่ามายุ่งกับฉันนะ่นนนะก็มีความสุขแล้วฉันนะั่งหายใจ่างฉันก็มีความสุขแล้วนี่เรามาดูนะดูในใจทุกอย่างผ่านมาผ่านไปไม่เที่ยงสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปนะั้นล้วนแต่เป็นภาระทางใจนะเป็นทุกข์แล้วเราสั่งมันไม่ได้ แขกจะมาบ้านบางทีเราไม่ได้เชิญใช่ไหมมันมาเองมาแล้วก็ต้องต้อนรับสิบบกเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับไม่อยากรับเลยก็ต้องรับเนี่ยภาระทั้งหลายมาละวเาเข้ามารู้อย่างน้อยต้องไปเอาแก้วใส่น้ําให้กินล้วต้องชวนคุยต้องยิ้มยิ้มเป็นภาระไหมเราอยู่เฉยๆคนเดียวเราก็ยิ้ม มีความสุขเจอมีแขกมากยิ้มมากกว่าปกติเป็นภาระนะหลวงพ่อมีน้องอยู่คนนะเป็นหมอเมื่อก่อนอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชรอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเนี่ยรู้สึกจะมีคลินิกนะตอมาย้ายไปอยู่พิษณุโลกแล้วไม่ยอมตั้งคลินิกนะอยู่แต่โรงพยาบาลถามว่าทำไมขี้เกียจยิ้ม โรคขี้เกียจยิ้มอยู่กําแพงเพชรเปิดคลินิกนะคนรู้จักมีชื่อหมออยู่ข้างหน้านะคนรู้จักหมอนี่ทั้งเมืองเลยไปไหนคนก็ทักให้คุณหมอยิ้มตลอดไม่เหนื่อยย้ายจังหวัดเลยนะเป็นอมาก <c oughs> ยายแล้วไม่ไม่ให้ใครรู้จักนะรักษาอยู่ในโรงพยาบาล น, นะบอกมาเดินอยู่ตามถนนนะมีความสุขอยากยิ้มกับต้นไม้ก็ยิ้มไนดะ้ไม่ต้องไปยิ้มกับทุกคนที่เจอ เป็นภาระไปดูนะใครดูแค่ยิ้มก็เป็นภาระแล้วนะแต่ถ้ามันยิ้มออกมาจากใจนะถึงจะใช้ได้หลวงปูดดูเรียกจิตยิ้มจิตยิ้มได้นะเป็นเรื่องแปลกจิตมันยิ้มได้เอาต่อไปส่งกันบ้านสังเกต ด, ดูความรู้สึกเราจะเปลี่ยนเรารู้สึกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใครรู้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวเมื่จะเห็น เป็นของไม่เที่ยงเป็นภาระเป็นของบังคับไม่ได้ทางร่างกายดูไปเรื่อยเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยบีบคั้นไม่สงสัยแล้วเจ้าค่ะอืมไม่สงสัยก็ดีทําหลวงพ่อไปแล้วตั้งแต่วันอังคารก็เอาอันนั้นมาปฏิบัติ อ, อยู่ตลอ ด, ดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึงที่นั่งปฏิบัติก็จิตก็พูด มูดก็จดขอขอถวายได้ขอหนูงพ่อได้ไหมครับ ไ, ไ, ไม่ยาวใช่ไหมไม่ยา ว, ยาวบ้างมาเขาเขียนเขาบอกบอกว่าต้องให้ข้ามบรรลุธรรมเพื่อที่จะพ้นความวิโยคอืมแล้วก็เข้าใจชทวกผู้ช่วงได้ยินปั๊บก็ตื่นออกมาจากสมาธิเห็นตัวหลุดออกมาจากสมาธิแล้วก็จดอืมนะคะอพอช่วงพักอีกทีหนึ่งกลับมาทําใหม่ก็มีจะบอกอีกแต่ก็ บอกกะไกับจิตนั้นว่าอจําไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เ ห, หายไป ด, ดีเอาให้มันเข็ดเลยเหมือน <laughs> มันจะพูดทั้งวันเลยต่อไปถ้าพูดเราเราจดไปเรื่อยนะมันจะยิ่งขยันพูดแต่จําได้ว่าบอกเขาว่าอจําไม่ได้แล้วก็จดไม่ทันอืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีอย่าให้เป็นภาระค่ะค่ะ <laughs> แล้ว ก, แวก็แล้วก็สุขสงบดีอย่างที่กราบเรียนหลวงพ่อว่าพอวันสุขเห็นคนเข้ามา เหมือนกับเพเราะเราสบตาใครเนี่ยเราเอาขันเข้ามาใส่ตัวเราตักน้ำลาดเลยเที่ยวนี้เลยใช้วิธีใหม่พอผ่านใครก็จะก้มหน้ามองไปสามวารแคบๆนี่ค่ะ<ๆ>แล้วก็แผ่เมตตารู้สึกว่าสงบแล้วก็ไม่ได้ยิบขันของเขามาแค่ขันของเราก็แย่แล้วน ะ, ะเราดูขันของเราไปดีแล้วใจมีความสุขก็ดีละก็จ ะ, ะยืนยันอย่างเดิมว่าจะปฏิบัติถวาย พระพุทธเจ้าแล้วหลวงพ่อเจ้าค่ะทุกครั้งที่ติดขัดอะไรก็จะภาวนาเรียกหลวงพ่อให้ช่วยตลอดเจ้าได้อ้าวอย่าหัวเราะนะได้ผลนะสงสัยอะไรนเดี๋ยวธรรมะหลงพ่อก็ผุดขึ้นมาในใจบางคนมีภาพประกอบด้วยว่าหลวงพ่อไปสอนอะไรยเงี้ยนั่นจิตมันปลุงขึ้นมาน่ะจิตหลวงพ่อก็แค่หลวงพ่อแผ่เมตตาของหลวงพ่อธรรมดานี่เจริญเมตตาเจริญอะไรอยู่ทั้งวันอยู่แล้วล่ะ นีใ่ใครใคล้ายๆเปิดวิทยุรับมันก็รับได้ถ้ารู้จักรับนะจริงๆแล้วกระแสธรรมะมีอยู่เต็มไปหมดเลยพระพุทธเจ้ากระทั่งปรินิพพานแล้วนะท่านก็ทิ้งพลังงานไว้ในโลกถ้าใจของเรามีความสงบสุขพอเรามีศรัทธาแน่นแฟ้นในท่านเราจะรู้สึกเหมือนท่านยังอยู่เลยสอนเราได้นะเราไม่กล้าทําชั่วเลยจะทําชั่วเราคล้ายๆพระพุทธเจ้ามองอยู่เลยไม่กล้าหรอก ในบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าตอนบรรลุแล้วพระพุทธเจ้ามาอนุโมทนาะอะไรเงี้ยคนที่ไม่ได้พอวนาก็จะรู้สึกเพียนไปแล้วว่าเป็นนิมิตก็นิมิตนั่นแหละแต่ว่ากระแสพลังงานมันไม่ได้สูไหนพลังงานของพระพุทธเจ้าพลังงานของครูบาอาจารย์ถใจของเราสัมผัสถึง ก็รู้สึกเหมือนท่านยังอยู่เหมือนอย่างบางคนพ่อแม่ตายแล้วของเราใครพ่อแม่ตายแล้วมั้งรู้สึกไหมเวลาเรานึกถึงเ่อที่เหมือนยังอยู่นะแล้วความรักของพ่อแม่อยู่ในตัวเราเนี่ยในความเมตตาของพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานี่ก็เหมือนท่านยังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนหรอกงินเราไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อมีแม่นะเป็นพ่อแม่ที่อยู่กับเราตลอดเวลาขอให้ใจของเราถึงเท่านั้นเองอ้าวต่อไป อยู่วัดวันแรกๆนะคะตื่นเต้นแล้วก็กดไวะคะ้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็สติเร็วขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะคือว่าหนูจะกลับบ้านแล้วะคะ่ะบ้านอยู่พิษนุโลกะคะ่ะหนูขอการบ้านสำหรับตัวหนูนะคะ่ะก็มีสติรู้กายรู้ใจสินะรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยมันตื่นเต้นรู้มันมีปีติรู้มันเป็นยังไงก็รู้นะ เห็นว่าตัวอย่างมันชั่วคราวอย่าปิติก็ลดลงแล้วรู้สึกไหมความรู้สึกมันก็ลดลงดูไปเรื่อยดูมันดูคนอื่นความรู้สึกผ่านมาก็เหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านเทอนนั้นเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเวลาที่หนูปฏิบะะัติค่ะจะมีเสียงหลวงพ่อเทศอ่ะใช้ได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวจะไปเชื่อมันเราฟังนะแล้วเราก็รู้ทนจิตนะ ทีหลวงพ่อก็เทศบางทีมารก็เทศแข่งเงินเทศนะค่ะแล้วอะไรสมมติอะไรที่จิตถ่ายทอดออกมานะแล้วมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจะจะเชื่อได้ถ้าไหนจิตถ่ายทอดออกมาแล้วขัดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่เชื่อหรอกมารมันสอนเรานะงั้นเราดูเราต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรรู้หลักรู้หลักแล้วไม่พลาดไม่รู้หลักก็พลาด นักปฏิบัติไปหลงนิมิตหลงอะไรกันหนาสาระแกนสารไม่ได้โยมก็มีสติไวขึ้นในบางโอกาสที่รู้สึกว่าเรากำหนดได้ทันปัจจุบัน ม, มันจะสัมผัสได้ถึงความสุขเกิดขึ้นในใจใช่จิตเราอยู่กับปัจจุบันน ะ, ะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเฉย ๆ, ๆไม่เบิกบานเ็าไม่เชิงไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเครียดเียดนี่ไม่ใช่เลยต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้เบิกบานแต่ไม่รู้ไม่ตื่นก็ใช่ไม่ได้อีกองค์ประกอบต้องครบนะมีความสุขดีจะเอาอะไรนักหนา <c oughs> เท่านั้นแ่ะพอ <c oughs> ดี นำมศ ก, กาลหลวงพ่ อ, เ, อ, อเจ้าคา่ะออเออวันแรกๆก็สติขาดเยอะเจ้าค่ะธรรมดาแต่พอพอเล่งเพียรหรือพยายามที่จะมีออมีความเพียรมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันได้นะเราก็มีความสุขเจ้าค่ะนี่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วมีความสุขเนี่ยนะตรงนี้ก็คือจิตเราได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วจิตเราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ต่อไปก็เดินปัญญา ปัจจุบันในในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละที่รูปธรรมนามธรรมแสดงตัวอยู่จริงๆเรานะดูกายดูใจล้าดูอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนในอดีตไม่มีมีแต่ความจำในอนาคตไม่มนะีรูปนาม ม, มีแต่ความคิดนะรูปนามปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นจิตเราตื่นขห้ในปัจจุบันนี้แนะดีที่สุดแล้วเราก็ดูมันทำงานอย่าน้อมจิตให้นิง่งปล่อยให้จิตทางานดูไปอย่างสบายๆ เวลาดูสภาวะจิตเคลื่อนออกไปดูให้รู้ทันรู้ทันว่าอะไรรู้ทันว่าจิตมเคลื่อนไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาขันมันจะแยกออกเลยไอตัวนั้นถูกดูอยู่โน่นผู้ดูอยู่ทางนี้แยกกันอย่าให้ไหลไปรวมเป็นอันเดียวกันถ้ารวมเป็นอันเดียวกันมันถล่มลงไปไปฝึกเอานะ หลุงพ่อบอกว่าให้ลืมปฏิบัตินะคะโยมก็เลยท่องอิติปิโสห้องแรกอะคะ่ะแล้วก็เวลามีความรู้สึกว่าคิดไปอย่างอื่นอืที่ไม่ท่องนะคะก็รู้สึกตัวก็ทําได้แค่นั้นนะคะทําอย่างนี้จะได้สมาธิน ะ, ะใจจะอยู่กันเน้อกับตัวเพราะใจอยู่กันเน้อกับตัวแล้วมันก็ดูไปเลยร่างกายมันหายใจร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนนะเราเป็นแค่คนดู ค, ความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็เป็นแค่คนดูค่อยๆดูไป เราจะเห็นความจริงทีทุกอย่างมันไม่ใช่เราหรอกร่างกายที่พยักหน้ามันไม่ใช่เรานะร่างกายมันพยักหน้าไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่เราดูไปเรื่อยาวนาต้องมีความสุขแล้วความสุขมันเป็นเหตุใกล้ของสมาธิจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นพอมันก็จะเกิดปัญญาถ้าภาวนาเราเครียดสมาธิจะไม่เกิด กับนับสกัครับขอโอกาสครับหลพ่อส่งกันบ้านในรอบสองปีครับทางสุดท้ายส่งเมื่อสองปีที่แล้วก็เห็นกิเลสอยู่ไม่ไม่ถึงกระบ่อยแล้วแต่บางช่วงนะครับบางช่วงก็จะเห็นบ่อยบางช่วงก็จะจะหายไปก็ อ, อยูี่ว่าขันมันแยกได้เห็นเป็นบางครั้งนะขันแยกได้ก็ดีแล้วล่วนะครับผมฮะทีนี้ช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะ เริ่มเล่น f เฟซบุ๊กครับแล้วก็ไลน์ก็เห็นเลยครับเวลาติ้งๆมาเนี่ยจิตมันไหลวูบไปเลยดีบางคนมันติ้งทั้งวันเลยงานการไม่ทําอ่ะทีนี้วันนี้ที่มาส่งกันบ้านก็คือเนื่องจากไม่ได้มาส่งสองปีนะครับก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยทุบแรงๆว่ามีอะไรที่ยังติดอยู่บ้างหรือเปล่าครับดูซิจิตเราเดี๋ยวนี้มีแรงมากขึ้นไหมเป็นช่วงครับช่วงที่ปฏิบัติในรูปแบบ อ, อย่างต่อเ น, นื่องก็จะแรงมีกําลังค่อนข้างดีแต่ช่วงไหนที่งานเยอะๆแล้วก็เบี้ยวบ้างอะไรบ้างมันก็จะต่อไปนี้นะ <Okay. S 2> พยายามปฏิบัติให้สม่ําเสมอนะแล้วเราจะรู้เลยว่าปฏิบัติทุกวันเนี่ยบางวันก็ดีบางวันก็เสื่อมเสื่อมทั้งๆ ท, ท, ที่ปฏิบัติถึงจะใช้ได้นะถ้าช่วงไหนขยันแล้วก็จเจริญช่วงไหนขี้เกียจแล้วเสื่อมเนี่ยจะไม่เห็นความจริง ต้องขยันมันทุกวันเลยแล้วก็มันเสื่อมทั้งๆที่ขยันเนี่ยมันจะเห็นเลยเราบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจสองปีก็ยังดีนะไม่ได้เหลวไหลครับจิตใจก็มีเรี่วมีแรงขึ้นขันก็แยกเป็นดีไปทำต่อครับผมครับขอบคุณครับเออดีนึงครับหลวงพ่ออาการตั้งมั่น คราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อคอมเมนต์ในเรื่องของการตั้งมั่นของจิตว่ามันยังไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าที่ควรอย่างปัจจุบันตอนนี้นี่มันดีขึ้นมันดีขึ้นสิรู้สึกมมันจิตใจมันตั้งมั่นจิตใจมันมีเรื่องมีแรงขึ้นแต่การตั้งมั่นมี2ลักษณะนะอันหนึ่งตั้งมั่นที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายแต่ตั้งมั่นคอีกอันหนึ่งจงใจจะตั้งมั่นจะแน่นๆน่นอันนั้นใช้ไม่ได้นะห้ามจงใจมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับบางครั้งพอ อยากปฏิบัติปุ่มมันจะแน่นเต<อ>ิดขึใช่อย่างนั้นหยุดเลยทําผิดละครับ <นะ S 1> คือหนูจะกราบเลยันท่านพระอาจารย์ว่าในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะคะหนูไม่ได้อยากกราบพระพุทธรูปที่บ้านไม่ได้อยากสวดมนต์มไม่อยากถวายน้ําไม่อยากถวายผ ล, ลไม้อืมไม่อยากแผ่เมตตาและไม่อยากเดินจงกรม แต่หนูทำอย่างนี้ทุกวันเลยเพราะว่าในใจของหนูคิดทุกวันเลยว่าชีวิตไม่แน่นอนเดียวก็หมดวันแล้วจึงทำทุกวันเลยดีขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนะไม่ถอยอะ่ะเราทำเรื่อยๆไปมันจะเกิดพลังของจิตขึ้นมาจิตที่มันแน่วแน่เด็ดเดียวในการทำนะจะมีพลังรู้สึกไหมมันได้แรงค่ะดีทัอีก แล้วหดูไปนะการที่ใจของเราครองความรู้สึกส่งความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างไม่นานก็สิ้นไปดีมากนะอย่างนั้นแหละดใีให้ส่งความรู้สึกนี้ไปเรื่อยๆพระอรหันต์บางองค์ก็ส่งความรู้สึกอันนี้เห็นอะไรก็เห็นเลยว่ามันเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปมันไม่แน่นอนมนะันหนึ่งใจก็พ้นไปใจไม่เอาอะไรก็บของไม่แน่นอน ของโชคเราดีทําไปการการปัญญาครับวันีสภาว่าที่ผมผมผมเห็นว่าการเวลาเนี่ยมันเกิดจากตัณหาครับหลวงพ่ออืมก็เลยว่าเออผมเข้าใจตรงไหมหลวงพถูกก็เลยเห็นสภาว่านี้ทีนี้ผมผมว่าผมจิตมันดูจิตได้ได้พอสมควรแล้วยินดียินร้ายเห็นเห็นเห็นได้ชัดขึ้นนี้ขึ้นเลยหลวงพ่อดีแล้วไปทําต่อ ก็ไม่มีติดอะไรบ้างหมหลอย่ากลัวติดนะับพเมันจะติดโน้นติดนี่ไปเรื่อยธรรมดาเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันติดอะไรอยู่ตั้งแต่รากหญ้าเลยจนถึงยอดต้นไม้เลยเราก็ค่อยๆรู้มันก็ปล่อยปล่อยปล่อยนะถึงวันหนึ่งมันลงไปทำลายข้างล่างทํำลายสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ดีภาวนาดี หนูไปหัดนั่งสมาธิมาค่ะหลวงพ่อคือเป็นการนั่งดูกายก็คือดูความรู้สึกตัวไปทั่วๆนะคะไล่จากหัวลงเทา้าแล้วก็ทีนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูสามารถแยกกาย<ม>เห็นกายส่วนหนึ่ง<ม>เห็นจิตแล้วก็เห็นเวทนาคือที่นั่นเขาเห็นเวทนาความทุกข์อะคะ่ะ<ม>หนูก็รู้สึกว่ามันคือเราไม่ได้ไปทุกข์กับมันก็มันก็ทํางานของมันไปก็ตอนแรกคือจะเห็นเป็นกระดูกทั้งล่างอันนี้ก็ตกใจมากแล้วก็ หลังจากนั้นก็เห็นเป็นคือรู้สึกว่าความรู้สึกที่เรามีอยู่ทั่วตัวมันหายไปกลายเป็นว่ามันไม่มีร่างกายแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีขอบเขตของของร่างกายอยู่นะคะแล้วก็เห็นเห็นไอตัวที่มันหายใจอยู่เนี่ยมันมันมันยังอยู่หนูก็เลยสงสัยว่าไอตัวนั้นคือผู้รู้หรือเปล่าค่ะหลวงพ่อจิตเราเป็นสมาธินะแล้วมันยังมีความรู้สึกตัวอยู่นะใช้ได้แต่นั้นเป็นเรื่องของสมาธินะ ที่หนูฝึกสมาธิอย่างนี้ก็ใช้ได้นะจิตมันตั้งมั่นถึงฐานนะค่ะถึงนั้นใช้ได้แต่ตที่ตั้งเนี่ยอย่าให้ตั้งแข็งแขงนะให้มันสบายนนสเออตัวนี้มันมคมที่ทำอยู่เนี่ยเป็นรักหนูปนิชานแล้วอ๋อค่ะหนูก็สงสัยกลัวว่าจะไปติดเพราะว่าตอนที่เห็นมันหายใจเนี่ย แล้วมันว่างไปหมดเลยหนูก็เลยไอ้<ช>อ น, นี่ที่หลวงพ่อบอกมันติดว่างเลยป่ะมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนนะไม่ใช่คนใช่สัตว์เราเขาอะไรเลยเป็นสภาวะบางอย่างไม่มีชื่อนะไม่มีคําเรียกขานะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งมีอยู่แต่ไม่ใช่เราเนะน่ยใช้ได้อยู่<า>แต่ว่าตัวเนี้มันเกิดจากจิตมีสมาธิเยอะด้นะแล้วมันแยกขันเป็น<า>มันถึงจะเห็น แล้วจะปฏิบัติต่อไปยังไงดีคะหลวงพ่ออยู่ข้างนอกนี่ก็แยกให้เป็นโอเคก็ไปหัดทําข้างนอกนะคะต้องได้ทางข้างนอกข้างในนะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่เราจะตายอยู่ในฌานไม่จะอยู่อ๋อันนี้คือเป็นฌานเหรอคะหลวงพ่อถ้าร่างกายมันดับหมดเลยนะก็เป็นถึงอรูปเลยนะอ๋อค่ะเพราะตอนหนูนั่งหนูก็รู้สึกว่าอันนี้เหมือนมันมันเป็นของปลอมคือเพราะว่าเราหลับตาอยู่แต่จริงๆเราคิดว่า มันต้องมันต้องเห็นอยู่ในสภาวะในชีวิตประจําวันนะคะคือออกจากสมาธิแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันก็ต้องทําให้ได้และชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกเนี่ย<ะ>เราไม่ไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะปล่อยให้มันทํางานที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยธรรมดาที่สุดเลยค่ะจะจะถามว่าเดี๋ยวต่อไปจะพัฒนาอย่างไงดี่ยอยู่อย่างเนี้ย น, นะถึงเวลาก็นั่งสมาธิไปแต่อยู่ข้างนอกเนี้ยนะ เห็นขันมันทำงานไปเมยเป็นม่มันคิดได้เองอเห็นจิตมันไหลไปไม่ห้ามนะให้ไหลแต่เรารูนะ้เราจะได้สมาธิที่ทรงตัวขึ้นมาทาั้งที่อยู่ข้างนอกนี่แหละแต่มันจะเป็นคณิกะสมาธิแล้วมันจะเห็นรู้สึกไหมตัวนี้ไม่เป็นเราตัวนี้ไม่ไม่เป็นเราอยู่แล้วตอนนี้นะรู้สึกนิดๆค่บนะบางครั้งแวบๆอะค่ะแวบๆบังที เวลาที่จะเกิดมากเกิดผลแนละ้วมันรู้แว บ, บเดียวเท่านั้นนะใช้ได้นะที่ฝึกมาบางคนไปดูเวทนาแล้วเข้าใจผิดนะไปนั่งจะเอาชนะเวทนาถึงไม่ถูกเลยกราบน้ำมัสกการหลวงพ่อค่ะไม่ส่งกันบ้านหนึ่งปีเจ้าคะ่ะก็คือไปอยู่วัด น, นะคะแต่ว่าเวลามันปฏิบัติค่อนข้างเยอะคราวนี้วันหนึ่งก็คือจิตมันคิดไปอย่างเงี้ย ครัวนี้ก็พอเห็นจิตมันคิดไปแล้วก็มีตัวตนเกิดขึ้นเห็นตัวตนเนี้ยมันดับแล้วครั้นี้จิตมันรวมเข้าแล้วครัวนี้มันตกใจก็เลยกระชากกลับแล้วพอวันอีกวันหนึ่งพอวันถัดไปก็คือเห็นจิตมันเป็นทุกข์พอเห็นจิตมันเป็นทุกข์ตัวเนี้ยมันดับดับไปก็แต่ว่าจิตมันมันจะรวมมีเสียงที่ตะโกนผ่านมาก็ มันไปรับอารมณ์ใหม่อย่างค่ะคือปกติจะท่องพุโทโธแล้วดูจิตอืมครนี้พอไปดูที่ลมหายใจก็เห็นลมหายใจมันดับแต่ก็เห็นมันมันเหมือนเป็นรูปที่ดับอ่ะค่ะ ก, ก็ถูกลแล้วเลยสงสัยว่าจริงๆแล้วจริงจริงแล้วจงดูแบบแบบไหนเอาอะไรก็เอาสักอันหนึ่งนะไปดูเอา อะไรที่ทำแล้วสติดีขึ้นเอาวันนั้นอะไรทำแล้วจิตตั้งมั่นเอาวันนั้นอะไรทำแล้วเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้เอาอันนั้นนะคนีมันมีคือมาสังเกตว่าทำไมเราต้องรอให้เห็นว่ารูปมันดับเนื่องเมื่อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าจิตมันดับเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะขัดแยง้งข้างในอยู่อะค่ะหลวงพ่อนะจะเล่าให้ฟัง ราวหนึ่งหลวงพ่อไปถามหลวงปู่ดุลบอกหลวงปู่ครับผมไปเที่ยวตามวัด ต, ต่างๆนะได้ยินครูบาอาจารย์สอนคนทั่วๆไปนะสอนให้พิจารนกายผมเนี่ยไม่ได้พิจารน ก, กายเลยหลวงปู่ให้ดูจิตมาเรื่อยๆเราผ่านมาตลอดเลยด้วยกันดูจิตผมจะต้องย้อนไปดูกายหรือไม่ดูจะต้องย้อนไปที่กายไหมหลวงปู่ก็หันมามองเรารู้สึกเลยสายตาที่ท่านมองเนี่นะ เต็มไปด้วยความสลดสังเวชแล้วท่านก็บอกว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะจิตไม่เป็นเรากายไม่เป็นเราแน่นอนถ้าเห็นจิตไม่เป็นเรานะสามโลกธาตุนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกเลยถ้าไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรในสามโลกธาตุนี้อีกเลย แต่หลวงปู่ไม่ได้พูดยาวเท่านี้นะท่านพูดแค่ว่าที่เขาดูกายะเพื่อให้เข้ามาเห็นจิตเมื่อเห็นจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านว่าอย่างนี้นะนมัส ก, กายครับอืมส่งกานบ้านท่าน ท, ที่แล้วอหลวงพ่อให้มาดูกายครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาว่าจิตมันไม่ค่อยยอมเข้าบ้านผมเข้าใจว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าบ้านมากขึ้นใช่ใช่ ดูออกไหมพอดูออกบ้างนะครับแล้วนึกออกไหมว่าแต่ก่อนมันไม่เข้าบ้านถ้ารู้นะว่ามันไม่เข้าบ้าน ร, รู้จากสภาะที่ไม่เข้าบ้านแล้วมันจะเข้าเองแล้วแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันมันยังเข้าบ้านไม่เต็มที่ <c oughs> มันเหมือนเข้ามันติดอยู่ที่กาย <c oughs> แข็งไป อ, อติดติดที่กายแข็งไปเหรอครับแล้วอย่างนี้จะกังไงอ่ะ <c oughs> มันติดเพ่งกายจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม หรือเพาตอนนี้ตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นด้วยก็เลยไปเพ่งเอาไว้ใช่ไหมถ้าไม่เพ่งนะใจเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินใช้ได้อยู่ตอนนี้มันไม่ไปข้างนอกแล้วล่ะแต่การที่อยู่ข้างในเนี่ยเรายังเพ่งมันมากไป อ, อถ้าจิตไหลออกไปข้างนอกใช้ไม่ได้นะจิตเข้ามาอยู่ข้างในมีสองอันเข้ามาเป็นธรรมชาติสบายๆรู้ตื่นเบิกบานใช้ได้เข้ามาแล้วตรึงไว้แน่นๆแข็งๆใช้ไม่ได้ออือครับ ตอนนี้คิดว่าเพ่งประเพงไหมด้วยเพง่งเราไปดูว่าตอนที่ไม่เจอหลวงพ่อเป็นไหมครับถ้าเป็นก็รู้ทันว่าเพ่งอยู่แสดงว่าถ้าสมมุติว่ามันหลุดจากเพ่งตรงนี้เราก็คือจะโอเคแล้วใช่ไหมครับมันก็มีสองช้อยหลุดจากเพ่งนี้คือหลุดออกไปข้างนอกอีก <c oughs> <c oughs> หรือว่าพอคลายการเพ่งอยู่แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ได้แใช่ว่าถ้าไม่ติด2ออันนี้ก็คือถือว่าโอเคนั่นแหละทางสายกลาง สร้างกลากลางคือไม่สุดตกสองข้างข้างหนึ่งหลงไปไหอปลออกไปข้างนอกข้างหนึ่งบังคับไว้กดขมเอาไวค้คะนจะเป็นภาวะแห่งการรู้ขอบคุณครับสังกันวานครั้งแรกนะคะออก็จะถามว่าค่ะว่าถ้ารู้สึกอย่างเดียวโดยไม่ทำสมถะจะได้ไหมคะเพราะว่า ไ, ไม่ทำสมถะ ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่พยายามที่จะนั่งสมาธิเอ่ยหรือว่าเดินจงกรมเอ่ยยังไงยังไงมันก็หลับอยู่ดีอะค่ะหลับใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าขนาดเดินก็ยังจะแบบรู้สึกแบบมันมันไม่สามารถที่จะมีสมาธิได้เลยค่ะก็เลยจะถามว่าถ้าเรารู้สึกอย่างเดียวรู้สึกอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะค่ะแล้วก็ไม่ทําความสงบเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะไม่มีแรง ถ้าเรานั่งถึงเวลาเราก็ไปนั่งนะหลับก็ช่างมันอย่าไปกลัวมันบางครั้งเนี่ยใจที่เดินปัญญามาแล้วเนี่ยนะมันเริ่มเบื่อโลกพอเราทาสมาธิปุ๊บมันจะดับการรับรู้ไปเลยใจมันเบื่อนะมันถึงหลบเข้าไปพักเพราะนั้นมันเป็นทางผ่านของคนที่เดินปัญญาคืออย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าหลับ ก็ฝืนฝืนให้นั่งต่อไปอย่างเงี้ยค่ะนั่งหลับไปก็ได้โอเคนะเราถึงเวลาถอยออกมาต่อไปจิตมันมีแรงมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่หลับโอเคค่ะ <Okay. S 2> จิตมันเดินปัญญามันเดินปัญญาจนมันรู้สึกเบื่อนะพอมันรู้สึกเบื่อแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะหนีไปไหนมันก็ใช่วิธีหนีหลับหลนะพาอก็เคยเป็นเมื่อปีสองหกนั่งสมาธิ ขนาดนั่งขัาสมาธิเพชรนะเจ็บนะยังหลับเลยเดินจงกรมหลับนะเดินชนฝาเลยนะทำอะไรหลับหมดเลยวันที่ห้าสิงหาสองหกที่ไปกราบหลวงปู่สิมไปส่งกันบ้านท่านบอกหลวงปู่พอภาวนาแล้วมันหลับตลอดเลยหลวงปู่บอกว่าผู้รู้ผู้รู้อจะสงสัยอะไรนะผู้รู้อย่าสงสัยเลยพงเนีนะ้ให้ทําไปเถอะเราจะได้ของดีในพรรษานี้นะท่านว่างี้นะ ตอนนั้นท่านไม่ให้เหตุผลอะไรทั้งสิ้นเลยไม่อธิบายเลยว่าจิตมันเกิดนีพพิทาอะไรเงี้ยไม่บอกท่านบอกว่าอย่าไปสงสัยเลยให้ทำไปเถอะแล้วจะได้ของดีนี่หลวงพ่อนะครูบาอาจารย์สั่งก็เชื่อนะไม่ถามต่อเลยท่านบอกให้ทำก็ทำต่อนั่งหลับก็นั่งมะเดินหลับก็เดินนะนะอะเข้าไปหาท่านวันที่ห้าวันที่หกอะไปเที่ยวไหว้พระอยู่ในเชียงใหม่วันที่เจ็ด ตั้งแต่เช้านั่งรถทัวร์กับกรุงเทพนั่งมานี่แหละหลับก็หลับนะเขาท่านบอกให้ทำต่อหลับจิตมันค่อยมีกำลังขึ้นนะจิตมลงไปพักนะั่นเองมันค่อยมีแรงมีแรงมีแรงขึ้นนะพอมาถึงหลักสีนะจิตมันก็ดีดตัวผาออกมาเลยนะเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งมันเปลี่ยนออกไปเลยรู้ว่าโยปัญญาของครูบาอาจารย์นะแหลมคมจริงจนะิะ น้ามาสการกับพ่อฮอขออนุญาตส่งการบ้านในรอบสิบเดือนนะฮ ะ, ะช่วงนี้จะรู้สึกว่าใจไม่เป็นกลางนพอ<ะ>เห็นทุกข์แล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับมันไม่ชอบอะฮะไปเห็นดูการเมืองบ่อยไหมดูข่าวไหมไม่ค่อยมากเออดีดูน้อยๆครับดูพอตามสถานการณ์นี้นิดหน่อ ย, อยไม่ต้องดูหลายชั่วโมงมงคลเฝ้าดูตลอดเครียดนานๆดูทีก็ได้ เราก็สังเกตจิตไปได้จิตจะสงบหนระือจิตจะฟุง้งซ่านไม่สำคัญอนะให้เรารู้อย่างที่มันเป็นนะแต่รู้แล้วมันยินดีให้รู้ทันรู้แล้วมันยินร้ายให้รู้ทันนะสังเกตไหมว่าจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันรู้สึกครับนะขันมันแยกได้เพราะฉะนั้นเราต่อไปนี้เราดูก็ททำงานไปเรื่อยเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานไม่ใช่เราทางานนะดูอย่างนี้เรื่อยๆไป ถ้ามันฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามาทุกวันต้องทําในรูปแบบนะทํำไหอทําทุกวันค่ะเออดีต้องทําำไม่ทําไม่ค่อยเจริญหรอกดีหลวงพ่อเคยมีครั้งหนึ่งอะฮะเคยเห็นความทุกข์แล้วจะเห็นจิตเนี่ยมันปล่อยตัวอารมณ์ออกมาอือมอืมสภาวะนั้นคือจิตเป็นเป็นกลางด้วยสติหรือเป็นกลางด้วยปัญญาครับตรงนั้นตรงนั้นมันรู้ทันนะจิตมันเริ่มฉลาดแล้วมันปล่อยะแต่ว่ามันยังไม่ฉลาดพอเดี๋ยวมันก็ไปจับอีก มันรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยเป็นครั้งเป็นคราวฝึกไปนานเนี่ยจิตมันรู้ความจริงนะว่าเข้าไปยึดทีไหน ก, ก็ทุกทุกทีเลยมันก็จะปล่อยแล้วเราก็จะพอใจในสภาวะแห่งการปล่อยแล้วไ่ยึดเอาจิตที่ไม่ยึดอะไรอีกทิ้งนะเราก็ค่อยมาปล่อยตัวนี้จริงขอบคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มาแล้วก็ได้ จากคำสังสอนของอาจารย์คล้ายๆเป็นแผนที่ที่จะเอาไปเดินทางตออ่อไปีๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางที่ท่านอาจารย์บอกให้ทำสม่าเสม อ, อ, มอมแล้วก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเพียรพยายามถ้าภาวนาไปแล้วศีเลเราดีขึ้นนะ อย่างเวลาจะทำบาปเราละอายใจถือว่าใช้ได้ไม่ไม่กล้าทำจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นหนะลงสั้นลงสั้นลงอันนี้ดนะีเราเห็นกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกออกไปแต่ละอันแต่ละอันอย่า น, นดนะีเราเห็นทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเลยนะค่อยฝึกนะอย่างนั้นแล้วดีแล้วเอาหมดแล้วนะเชิญกลับบ้าน